ทวัติงสาการปาทะอันละมยังทวัติงสาการปาทังพนามเสอายังโคเมกายุกายของเรานี่แหละ อุทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัธโทเกสามา ธ, ธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ปุโรนานปการัสะสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกายะมีมอยู่ในกายนี้เกศผมทั้งหลายโลมาคนทั้งหลาย นาคาเล็บทางไหลท่านตายฟันทางไหลตาโจนางมังสาเนื้อนหาหรวเอ็นทางไหลอาทิกระดูกท้งไหลอาทิมินทางเยื่อในกระดูก วกากางไตหาทายางหัวใจยากางตาบกิโลมกา ง, งพังผืดปีหากางมามปาผ้าสางปอดอันตังไสใหญ่อันตาคู่นางไสน้อย อุทาลียงอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหมางน้ำสเสลตปุปโพน้ำนองโลหิตังน้ำเลือดเสทโทน้ำเงือเมทโทน้ำมันคน อาสุนามตาวาสานนามเหลืองเคโลนามลายสิงคานิกานามเมือลัสิกานามลื่นหล่อคอ ม, มูตตานามมูมัธาเกมัธาลุงคางเยื่อมันสมองในกะโลกศรีรษะ อิตดันงนี้แล